คำว่าเพียรในที่นี้คือสัมมาประธานสี่พยายามในที่นี้นะหนึ่งเรียกว่าประธานประทานสังวรประทาน อ, าอไภาวนาแล้วก็อนุรักษณาเนี่ยเพียรในที่นี้เพียรสี่อย่างนะข้อแรกก่อนเพียรละ บาปสองเพียรระวังหรือปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะนะบาปบาปในที่นี้เน้นที่อกุศลทั้งหลายอากุศลวิตกตกเป็นต้นนะภาวนาก็คือการเจริญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาอนุรักษณะก็คือรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะ ก็ปฏิบัติตามสัมมประทานทั้ง4ี่ประการนี่คือคำว่าเพียนวินิบาทนี่แปลว่าตกไปจากความสุข วินิบาทนั้นหมายถึงว่าตกจากความสุขเช่นพวกท่านบอกว่าเป็นยักษ์ทั้งหลายนี่นะกลุ่มกลุ่มยักษ์อะพวกพวกนั้นปฏิสนธิทั้งที่เป็นอเหตุกะทวิหตุกะและก็ทวิติหตุกะพวกที่ปฏิสนธิเป็นติเหตุกะสามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างเช่นยักษ์เนี่ยนะยักษ์ก็บรรลุมรรคผลก็มีพวกนี้ก็นับเป็นกลุ่มวินิบาตนะ ที่ที่เราเรียกเป็นภาษาไทยๆว่าพวกปีศาจ ท, ทั้งหลายนะปีศาจะก็คือพวกปีศาจปีศาจนี้เป็นทั้งปฏิสนที่เป็นอาเหตุตุกาก็มีทวิเหตุก็มีติเหตุก็มีพวกที่เป็นติเหตุนี้บรรลุมรคผลได้เนี่ยนะมันก็ยกเช่นว่าปียังกระมาตาอะไรพวกนี้นะคือมีปีกลุ่มปีศาจอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งปีศาจเหล่านี้ก็กินน้ำลายนะพวกกินน้ำลายที่มนุษย์ถมลงไปอะไรลงไปเนี่ยนะหรือกินพวก ของศพของเน่าของเหม็นกินขยะกินอะไรทั้งหลายทีนี้กลุ่มนี้นี่มีอยู่วันหนึ่งพระอนุรุทธาสาทยายพระ ส, สูตอยู่มีปีศาจนางปีศาจคนหนึ่งอุ้มลูกไปแล้วก็บอกลูกว่านิ่งๆหน่อยนะที่สูกรกำลังสาธยาย น, นะกำลังสาธยายบทธรรมอยู่อันถ้าตั้งใจฟังแล้วก็สังวรอยู่ในศีนเนี่ยนะใ น, นที่สุดก็ฟังจบก็นางก็บรรลุเป็นพระ ส, สูดาบันเหมือนกันนีนะ เป็นพระโสดาบันก็สบายแต่เขาเรียกว่าวิญญาบแปลว่าพวกตกไปจากความสุขเนี่ยเนี่ยก็พวกตกลงไปนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสัตว์ในอบายตรงๆ uh huh. แต่พวกที่พลัดตกไปจากความสุขเนี่ยเนีเ <c oughs> ช่น <c oughs> พวกเปรตบางอย่างเอืบทุกกลุมนั้นแหละ ไม่โปรยมันยังมีโอกาสได้อยู่เหมือนกับมนรู้คามรู้ที่เกลีนะคุณผู้ชมเนี่ยก็คนมีกิเลสอยู่ดีเป็นอะไรัก็มีกิเลสมันยังข่มนะสําคัญว่าเอามาทําปริญญาหรือเปล่านั้นนี่การทําปริญญาก็อย่าไปคิดอะไรซับซ้อนมากคิดเอาไอ้ที่มีมีเห็นเนนี่แหละเอามารอบรู้ซะก่อนนะนะคือ สังเกตง่ายๆจำง่า ย, ายอย่างหนึ่งก็บอกมองอะไรให้เป็นขันห้าไปให้หมดเลยเนี่ยคือไม่ใช่สักแต่ว่าสัมนวนอ้าสวัสดีคุณขันห้าไม่ใช่สัมนวนจริงๆคือคิดให้มันมีอัธยาศัยเป็นอย่างนั้นเลยให้มองให้เป็นขันห้าให้หมดเมื่อมองเป็นขันห้าแล้วขันห้าแต่ละขันนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรนะแล้วก็สาวให้เป็นปฏิจจสมุปาททั้งอนุโลมและปฏิโลมก็จะเข้าใจปัญญาศึกษาในาศาสนาเนี่ยนะ แล้วก็การมองเป็นขันห้านั้นไม่ใช่มองเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวมองทุกภพภูมิ嘛นะมองให้เป็นขันหรือเป็นอายตนะหรือเป็นธาตุให้หมดเลยไอ้คาว่ามองตัวนี้แหละเรียกว่าเห็นละเห็นเนี่ยแปลว่าทิทิทิทินี่แปลว่าเห็นเห็นเป็นขันหรือเป็นอายตนะธาตุในภพภูมิทั้งหมดไอการเห็นอย่างนั้นเรียกว่าทิทิวิสุทธิเนี่ยนะ เห็นทุกอย่างให้เป็นขันอายตนะและธาตุแล้วก็จนมีความเข้าใจอย่างนั้นจนเป็นอัธยาศัยด้วยแล้วก็คร่ครวญสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยเป็นอย่างดีจนข้ามความสงสัยได้อันนี้เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยนะให้ข้ามความสงสัยได้แล้วก็ใครครวญถึงความไม่ไม่เป็นสาระแก่นสารของภพทั้งหลายทุกๆภพของขันทั้งหลายทุกๆขันนั่นแหละไม่มีสาระนะสาระนี่หมายถึงอะไร อ๋นะแก่นคำว่าแก่นจริงๆของขันห้าควรจะมีความสุขใช่ไหมมันก็ไม่มีอยู่จริงควรจะมีความเที่ยงใช่ไหมมันก็ไม่มีอยู่จริงควรจะมีอัตตาอยู่ในนั้นใช่ไหมมันก็ไม่มีอยู่จริงนะไม่มีความเที่ยงความสุขและอัตตาอยู่ในขันทั้งมวลเหล่านั้นเลยนขันเหล่านั้นจึงเรียกว่าไม่มีสาระน่นะถึงจะมีบ้างความสุขแต่ว่ามันมันน้อยเกินไปอ่ะนะมันน้อยเกินไปที่จะควรยินดี เมื่อเทียบกับความทุกข์ทั้งหลายแลนะนะพวกนี้เป็นปริญญายธรรมนะเป็นธรรมที่ควรรอบรู้นะวิญญาณทิติทั้งเจ็ดประการนะในมหานิทานสูตรเนี่ยแสดงไว้ชัดเจนถึงว่าต้องเอาทุกทุกนั่นนะมาทำปริญญาให้หมดเลย ส่วนธรรมะที่ต่อไปก็คืออนุสัยนนะนะอนุสัยอนุสัยนั้นเป็นธรรมะที่ควรควรละนันะนะะเดี๋ยวให้ดูในตกถามานิทานสูตรนิดหนึ่งท่านบอกว่าไอ้คำว่านอนเนื่องมันไม่ได้นอนเนื่องแบบเถาวันอะไรห ร, รอกคำนั้นนอนเนื่องแปลว่ามันยังละไม่ได้ท่านว่างนั้นนะ ยี่เราคิดว่ามันนอนเนื่องเอ๊ะมันแช่อ ย, อยู่ในนั้นหรือมันเป็นผงอะไรสักอย่างนึงในนั้นหรือเปล่าบางเจ้าหนักเข้าไปอีกก็บอกว่ามีมันเป็นขันชนิดหนึ่งพิเศษคบว่างั้นที่มันเที่ยงมันไม่เกิดดับ oh. ว่ากันไปเรื่อย ในสุมังคลาวิลาสินียตกถาทีขนิกายมหาวัคเนี่ยนะอัตกถามหานิทานสูตรหน้าสองร้สิบแปดกล่าวถึงคำว่าอนุเสติเนี่ยนะคือปริตตตานนทิฐิอนุเสติความว่าความเห็นนี้ว่าอัตตานิดหน่อยย่อมนอนเนื่องในขันธสันดานก็เพิงทราบความเห็นนั้นว่าความเห็นนั้นย่อมไม่นอนเนื่องดุดเทววันและระดารดานี้แปลว่าอาจารย์เกส ละดาชาต์นะดอกนะดอกไม้ใช่ไหมคือมันไม่ได้ไปนอนเหมือนกับเถาวัลย์เหมือนกับดอกไม้อะไรหรอกเหมือนนคือเชื่อว่าย่อมนอนเนื่องในสันดานโดยอาจว่ายัางละไม่ได้นี่นะคื อ, อยังตัดฉันราคาในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อันนี้คําว่าอนุสัยอนะคือมันไม่ใช่ว่ามันไปนอนแช่อยู่ในนั้นอะไรจริงๆรหรอกเหมือนกันนะ่ะแปลหมายคำว่ามันยังละไม่ได้ในสิ่งนั้นเฉยเฉย นั้นทำในในอัตกถามหานิธานสูตรหน้าสองร้อยห้าสิบแปดนะนัมเบอร์สิบสามขอเราบัน สองร้อสิบแปดที่เป็นที่ฝกเถียนกันมากมในวงการธรรมะแห่งนี้ที่ถึงกับวมีมีการอธิบายกันหลายแนวต่าตงก็ยืนยันว่าของตัวถูก กลุมทิฏฐิก็่เรียกว่าอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะนี่นะหมายว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่ก็เป็นทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอนุสัยเท่าที่ที่พบพบหรืออธิบายทั้งในอัตถกถาทั่วๆไปและในดีกานั้นบอกเลยว่าอนุสัยเป็นกิเลสที่เป็นจิตตสัมปยุทธ์นั่นะง่ายๆยนะจิตตสัมปยุทธ์ก็แปลว่ามันเป็นเจตสิก ที่เกิดร่วมกับจิตตัวอนุสัยนะเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดร่วมกับจิตสองอนุสัยเป็นสารมณนะคือต้องรู้อารมณ์เหนมะสามสหตุกะต้องต้องมีเหตุเกิดร่วมด้วยแล้วก็สับปัจรยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหนนั่นะก็ ฟังอย่างนี้สรุปมันก็คืออากูสนั่นแหละถามว่าอนุสัยต่างอะไรจากโอค่าโยค่าคันธานิวรณาสังโยติเลตไม่ต่างแต่ถ้าจะคิดจนต่างก็ได้ก็วิเคราะห์คําว่าอนุสัยเนี่ยอ น, ยอ น, ยอนยุสยะอนุแปลว่าสยะแปลว่าแล้วก็นั่งเล่นสับไปครเนี่ยนะว่าจนต่างมันก็ต่างจนได้นั่นแหละอย่างั้นไม่งั้นเขาไม่เอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดได้รในโลกนี้สามารถทําได้หมดนะถ้าจะพูดให้มันเป็นอื่นไปเลยนะก็ว่าจนเป็นได้หมด ตั้งทฤษฎีมาแล้วก็บรรยายไปเรยก็เป็นได้ไหมยังแต่ว่ า, าถ้าพูดถึงเรื่องของอนุสัยควรไม่ลืมอย่างหนึ่งคือมักละกิเลสอะไรกันแนนะ่ตรงนั้นเป็นบทที่น่าให้ความสำคัญมากานะมักละกิเลสนะก็อนุสัยอโอคะโยคะคันทะอาสะวะกิเลสทั้งหลายแล่นั่นแหละมักละ แต่กิเลสที่ละแบบนั้นหมายถึงกิเลสอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันกุมชูละกิเลสชนิดไหนอดีตอนาคตหรือปัจจุบันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงปัจจุบันปัจจุบันนะฮะเอามันมันก็ซ้อนกันสิกุศลกับกุศลมันก็เกิดด้วยกันสิว่าจิตมันเกิดทีละประเภท ผู้ใ ด, ดที่มันเข้าใจยากๆคุณนี้เราวันนี้มันไม่เข้าใจนะพูดแล้วมันไม่เข้าใจนะอ่ะติดตามมันจ้าเลยนะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจหนีเลยิายนี้อย่างนี้กิเลทที่ผ่านมาแล้วในอดีตกผ่านไปแล้วจะไปลอะไรละอะไร ไอ้คหน้ายังไม่เกิดนนมันจะเป็นละยงก็บอกว่าเออปฏิบัติทั้งหลายแหล่นี่นะเปัจจุบันนี่กำลังเกิดอยู่จะเป็นละตอนมันเกิดได้ยังไงอ่ะมันก็ซ้อนกันสิระวง้ตัวละมันกุให้ิแหลมันตัวอักุปกตินะคำว่าละเนี่ยคำว่าละละก็บาลีว่าปหานะปะหานะมีหนึ่งแต่ทางคะสองวิขำพนะ แล้วก็สมุดเฉดถ้าทางคะว่ารวมๆเลยนะวิปัสนาวิขัมภนะคือสมถะสมุดเฉทะคือสมถะและวิปัสนาที่เป็นมรรคและต้องเป็นมรรคด้วยนะ ถ, ถามว่าอันนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นกุศลใช่ไหม กุศลกุศลกับอกุศลเกิดด้วยกันไหมไม่เกิดทีนี้มาเข้าเรื่องที่กำลังคุยกันมรรคกิเลสอดีตใช่ไหมัะปัจจุบันอนาค ต, ตถ้าละปัจจุบันเอามันก็ซ้อนกันสิระหว่างเพราะกิเลสมันเป็นอกุศล กุศลกับกุศลสูตรไม่เกิดร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็มีอารมณ์กันคนละอย่างคิดกันคนละอย่างด้วยไม่สามารถเกิดซ้ําซ้อนกันันก็เลยก็ถามว่าอ้าวงั้นมรกม็ไม่มีสิ น, นะนะก็บอกว่าว่าโดยรวมๆก่อนนะมรกเนี่ยละกิเลสจริงอยู่สูตรเขามีหนึ่งนะกิเลสที่มรละคือโภมิรัตทุปปณะ คือกิเลส ช, ชนิดที่เรียกว่าได้ภูมินะมัจจยะกิเลสประเภทนั้น 2. อ, อารัมมนาทิคตุปปะเนี่ยนะสามอาวิคขมพิโตุปณะเนี่ยนะแล้วก็ 4. อสมุหะอาสมุหะแปลว่ายังไม่ได้ถอนขึ้นเนี่ยนะ คือกิเลสที่ได้ภูมิได้ภูมิก็คือได้ปัจจัยนะว่าง่ายๆกิเลสที่ได้ปัจจัยหนึ่งกิเลสที่ได้อารมณ์กิเลสที่ยังไม่ขม่มกิเลสที่ยังไม่ได้ถอนเช่นว่ายกตัวอย่างว่าถ้าโสดาปฏิมาเกิดเนี่ยนะหลังจากที่โสดาปฏิมาเกิดนะมัด ต, ตัวนี้จะไม่เป็นปัจจัยให้สกายะทิฏฐิเกิดเลยจะไม่เป็นปัจจัยให้ วิจิกิจชาเกิดเลยไม่เป็นปัจจัยให้ศีลผ้าตาปรามาตเกิดเลยอันนี้อนุภาพของมัจถ้าสกะทาคามีมัจละ่ะถ้าอนาคามีมัจถ้าอารหัตตมัจ น, นะก็จะเป็นปัจจัยให้แก่กิเลส ท, ทั้งหลายถ้ายังไม่เคยเกิดก็จักไม่เกิดเดี๋ยนะถ้าอันไหนกลุ่มรุมอยู่ก็มาสับวางสับวางเสร็จแล้วก็ตัด โอกาสไปเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมักที่ละกิเลสนั้นจึงไม่ใช่กิเลสอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่จะละกิเลสชนิดที่ว่าถ้าได้ปัจจัยแล้วมันจะเกิดเนี่ยนะอ๋อเาแที่อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะคผิดถ้าไม่ใช่ถูกต้องถามเรียนถามอาจารย์เา้อมทุกอย่างันส่เหตุปัจจัยเพราะปัจจัยเกิดสัตว์มเลยปัจจัย มันก็เป็นทั้งสามอย่างนั่นแหละไม่เข้าใจคือเออเราไม่ต้องสํานวนว่าไอ้คำถามอันนี้ที่ตั้งมาเนี่ยเขาตั้งมาว่าตั้งเพื่ออะไรเขาตั้งว่าคุณไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาคิดหรอกเนี่ยนะคือคิดว่ามันอดีตก็ผิดคิดว่าอนาคตก็ผิดคิดว่าปัจจุบันก็ก็ผิดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าภาระก็คือเจริญกุศลให้อริยมรรคมันเกิดนี่นะเท่านั้นเองถ้าอริยมรรคเกิดนะัมันตัดเชื้อแห่งกิเลสนะก็สูตรง่ายๆอย่างที่ว่านะวัคซีนสีเข็มฉีดให้ครบสีเข็มแล้วหลังจากนั้นจะเลิกป่วยเท่านั้นเอง น, นะก็สําคัญทํายังไงจะได้ฉีดอันนี้ได้เท่านั้นเลย ไม่ต้องไปบอกว่ารักษาโรคอดีทรักษาโรคอนาคตรหรือรักษาโรคปัจจุบันไม่ต้องคือในระหว่างที่มักจะเกิด น, นี่นะปัะจจัยก่อนที่มักจะเกิดแล้วก็เป็นมหากุศลมายาวนานมากเลยจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นอกุศลคือเป็นอนุสัยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันมีแต่ว่าไม่รู้ ไ, ไจำเป็นต้องไปค้นคว้าใช่ไหมฮะและในขณะที่ไม่มีอกุศลเนี่ยตัว ตัวมร์เขาหรือว่าปัจจัยก่อนที่มร์จะเกิดก็ทำหน้าที่มาจนถึงมร์พร้อมมร์ปั๊บเขาก็ทำหน้าที่ปหารได้เองไม่เลยโดยไม่ต้องไปบอกว่าเมื่อไหร่เป็นเมื่อไหร่ไม่ต้องไม่ต้องว่ามันของของที่จะละเมื่อไหร่แต่ว่าชัดเจนก็คือภูมิรัตุปนนาเนี่ยนะถ้าปกติมันควรจะเกิดหลังจากที่เป็นพระรยะแล้วก็ไม่เกิดนั่นแเท่านั้นแหละ ก็ยังยังเป็นไปในในอดีตปัจจุบันนันคือสมับประธานเนี่ยนะความเพียรที่เพียรละกิเลสเนี่ยก็คือเพียรละกิเลสชนิดนี้เหมือนกันถึงถึงในในตอนเจริญกุศลนะในขณะที่กุศลและจิตเกิดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ว่าถ้าถ้าถ้านึกวิธีออกนะ วิธีมันปกติทั่วไปจะขึ้นต้นด้วยมโนทวาราวัชนะมันจะเป็นพวังแล้วก็อันนี้เป็นทั้งเป็นปัจจัยแก่กุศลและอกุศลเงื่อนไขว่าถ้ากุศลไม่เกิดอกุศลมันเกิดถ้าอกุศลเกิดกุศลไม่เกิดพันเพียรเจริญกุศลทำยังไงว่าไอ้มโนทวาราวัชนะนี่ให้มันอาวัชนะให้เป็นไปกับกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้อ่านะ แต่ทีนี้สิ่งเหล่าน no er, ี okay. ้มันไม่ได้เกิดพร้อมกันเช่นขณะที่โกรธไม่ใช่มีเมตตาขณะที่มีเมตตาไม่ได้โกรธถ้าโกรธก็ไม่มีเมตตาถ้ามีเมตตาก็ไม่ได้โกรธก็เอ่ไงทีนี้ไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยมันละมันทําลายเมตตาเมื่อไหร่แล้วเมตตาที่เกิดขึ้นมันละความโกรธยังไงเนี่ยนะมันก็มันก็สาบกันอยู่งี้นะนะก็คล้ายๆกันเนี่ยนะ แต่ถ้ากุศลที่เกิดขึ้นที่เป็นกุศลถ้าระดับตะทางฆ่าปะหารในระหว่างที่กุศลเหล่านี้เกิดอยู่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้ถ้าขณะการที่กุศลที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาอย่างนี้เรียกว่าละด้วยองค์นั้นๆเช่นว่าตังบวกอังคะใช่ไหมตังก็แปลว่านั้นอังคะก็คือองค์นั้น ปัญญาที่ละกิเลสนั้น น, นเพราะอะไรก็มีตั้งแต่ยานที่หนึ่งไปเรื่อยใช่ไหมยานที่หนึ่งละอะไรละสกายะยานที่สองละทิ่ทีที่ไม่มีเหตุหรือมีเหตุไม่สม่ำเสมอละวิจิกิจฉายานที่สละว่าความสําคัญว่าเราว่าของเราที่สีก็รู้เหตุเกิดละสมุทยัยรู้ความารู้ความเกิดละอุเฉตรู้ความดับละสัสตะก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะละตามสิ่งนั้นๆไป ในขณะที่กุศล น, น, นั้นก็นละสิ่งนั้ น, น, นเกิดไปแต่ถ้าขณะที่เข้าสมถะอยู่เข้าฌานกุศลแฌานเกิดขึ้นอากุศลมันก็ไม่เกิดเนี่ยนะอกุศลก็ไม่เกิดก็ไม่ได้ช่องทีนี้ภาระก็คือเจริญทั้งกุศลทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสมถะและวิปัสสนาให้มันคู่กันจนอริยมรรคเกิดขึ้นคือกุศลในชั้นวิปัสสนาก็ไม่ได้ถือว่าละโดยถาวรก็ยังเรียกว่ายังกลุ่มนี้อยู่ ถึงข่มไม่ได้นะวิขมพิตุปันนะถึงข่มไม่ได้แต่การข่มเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ถอนโดยเด็ดขาดอะไรเพราะกุศลที่จะมาถอนรากถอนโคนต้องเป็นต้องเป็นมครค น, นะเพราะในระหว่างนั้นก็ก็เป็นการเจริญกุศลที่ขณะที่กุศลเกิดไม่มีอ ก, กุศลแต่ก็กล่าวตามคุณภาพของกุศลนั้นๆถ้ากุศลแบบนี้เรียกแต่ทางฆ่าปะหารนะถ้ากุศลแบบนี้เรียกว่าวิขมพระนปะหารถ้ากุศลแบบนี้เรียกว่า สมุเชษฐาประหารี่กวัคซีนยังไม่ได้ออกผลเต็มที่กว้งนี้ก็กินยาแก้ปวดไปก่อนยังไม่ครบวน่คือในระหว่างที่จะเดินสวที่จะทีเนี่ยหมายความว่าเราก็ฉีดก็ฉีไปเรื่อยๆแต่ว่าวัคซีนมันยังไม่ถึงยังไม่ได้ธรรมะจริงๆแปลว่ายังไม่ได้ไม่ใช่ตัววัคซีน ตัววัคซีนต้องขนามมักหรืออาจจะได้กลิ่นตัวยาอยู่ก็ได้ไไดดสีหนถึงสีหนก็เป็นสีมักนะก่อนนั้นนะไม่เไม่ก็ไ ม, ไม่ถ้าเราเอาวัคซีนอันนี้นะข้ออุปมาอย่าไปสนใจมนันเลย เขาบอกว่าเพื่อที่จะให้รู้เนื้อความบางอย่างได้เท่านั้นเองสำนวนท่านบอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมานะก็ทนนี้ก็ไปติดในอุปมาเดี๋ยก็เลยยาวเลยก็นด้พอดีแลนะ้วเนาะสมควรกก่เวลา